4. ราชายตนกถาว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณข่วงต้นราชายตนะเรื่องทรงพบกับตปุษะและพันลิกะข้อ 6. ครั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากข่วงต้นมุจลรินไปยังข่วงต้นราชายตนะครั้นถึงแล้ว จึงประทับนั่งโดยบาลังเดียวเสววิมุติสุขอยู่ณควงต้นราชายัตนาเป็นเวลาเจดวันครั้งนั้นพ่อค้าสองคนชื่อตับุษะและพาิกะเดินทางไกลจากอุกระชนบทมาถึงที่นั้นขณะนั้นเทวดาผู้เป็นญาตร่วมสายโลหิตของตับุษะและพาิกะพ่อค้าทั้งสองได้กล่าวว่าท่านผู้นิระทุก พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้เมื่อแรกแตัดสรู้ประทับอยู่นะักข่วงต้นราชายตนะท่านทั้งสองจงไปต้อนรับพระองค์ด้วยข้าวตู่ผงและข้าวตู่ก้อนปรุงด้วยน้ำพึ่งเถิดการบูชาของท่านทั้งสองจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกาลนานต่อมาตบศรและพริกะได้ถือข้าวตู่ผงและข้าวตู่ก้อน ปรุงด้วยน้ำพึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำพึ่งซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกระนานแก่ข้าพระองค์ทั้งสองเถิดขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดมริว่าพระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงรับพัตถ า, ารด้วยพระหัตเลย เราจะพึงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้าพึ่งอย่างไรหนอทันใดนั้นเท้ามหาราชทั้ง 4. ทราบความนบิในพระไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนของตนจึงนําบาทศิลา 4. ใบมาจากสีทิศเข้าไปถวายแล้วทูลว่าขอพระองค์โปรดทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงน้าพึ่ง ด้วยบาดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ําพึ่งด้วยบาดศิลาใหม่เอี่ยมแล้วเสวยต่อมาตปสาและภลิกาได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมเป็นสารณะขอพระองค์โปรดทรงจําข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนตลอดชีวิตตปุ ษ, ษะและพริกานั้นได้เป็นเทววาจิกะอุบาสกผู้กล่าววาจาถึงรัตนสองว่าเป็นสรณะเป็นพวกแรกในโลกแลราชายตนาคถาจบ